เจะะริญพรท่านุทธศาชนิกชนผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาห้าวันทำงานท่านก็หมดเวลาไปกับการดูแลทำนุบำรุงร่างกายโดยการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาเพื่อมาสนับสนุนในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นเต่การดำรงชีพ นอกจากนั้นก็ยังเอาไปดูแลกิเลสตัณหาความอยากเพราะจิตใจของคนเหล่านั้นถ้ายังไม่ได้รับการชำระก็ยังต้องอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากความโลภต่างๆก็จะหมดเวลาอีกส่วนหนึ่งไปกับการรับใช้กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่าง ๆ, ๆซึ่งไม่ได้ มีประโยชน์อะไรกับจิตใจนอกจากสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากใจนั้นยังไม่มีกำลังพอที่จะ <c oughs> ต่อต้านต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่งตางๆจึงต้องคล้อยตามไปก่อนพอวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เราก็มาที่วัดกันเพื่อมาเสริมสร้างกำลังให้กับจิตใจด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนกับการออกกำลังใจสร้างกำลังใจให้มีความแข็งแรงมีกำลังที่จะต่อต้านกับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ดังนั้นชีวิตของคนเราจึงต้องแบ่งเวลากันให้เหมาะสมเวลาส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งให้กับการดูแลรักษาร่างกายเวลาอีกส่วนหนึ่งก็เอามาเสริมสร้างกำลังใจคือสติปัญญาความเข้มแข็งความอดทนความอดกลั้นเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันเป็น ต้นเหตุที่จะฉุดลากพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจถ้าเรามีกำลังใจคือสติปัญญามีขันติความอดทนมีธรรมะความอดกลั้นเราจะสามารถที่จะต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆได้เมื่อเราสามารถกำจัดความโลภความอยาก ไปได้มากน้อยเพียงไรเราจะเห็นความสุขความสบายเกิดขึ้นมาภายในใจอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตลอดเวลาในชีวิตของเรานั้นเราไม่เคยต่อสู้กับความโลภความอยากของเราเลยเรามักจะคล้อยตามมักจะทาตามความอยากความโลภสมอเพราะเรายังไม่รู้จัก แยกแยะว่าความอยากความโลภชนิดไหนมีความจำเป็นความอยากความโลภชนิดไหนไม่มีความจำเป็นถ้าความอยากความโลภที่เป็นความจำเป็นมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเรามีความอยากที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเราก็ต้องไปทำงานทำการทำอาหากิน ด้วยความกระยันหมันเพียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อจะได้มีรายได้มาดูแลรักษาชีวิตของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภความอยากที่จำเป็นที่มีคุณมีประโยชน์ส่วนความโลภที่ความโลภความอยากที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ชก็คือความอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขต่างๆ ที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีกําลังที่จะยืนหยัดอยู่ตามลําพังเราต้องแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราทั้งๆ ท, ท, ที่เราคือใจของเรานั้นก็ไม่ได้พิกลพิ ก, การอะไรใจของเรา สามารถยืนหยัดอยู่ตามลพาพังได้ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญสุขมาสนับสนุนมาให้ความสุขแต่เราไม่รู้กันเราถูกความหลงที่มีอยู่ในใจนั้นหลอกให้เราไปสแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขอยู่ตลอดเวลาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยพบกับความอิ่มกับความพอ เพราะราบยศสรรเสริญสุขนั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้จิตใจของเรามีความอิ่มความพองแต่จะมีแต่กลับจะสร้างความหิวสร้างความกระหายให้มีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นราบยศสรรเสริญสุขไม่ได้ให้ความอิ่มนั่นเองมันมีแต่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้น ได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้คือก็อยากจะได้สปนสองได้สอกก็อยากจะได้เป็นวามีเงินมีเงินพันก็อยากจะได้เงินหมื่นมีหมื่นก็อยากจะได้เงินแสนมีแสนก็อยากจะได้ล้านมีล้านก็อยากจะได้เมื่อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนมีแทบจะ <c oughs> ใช้ไปอีกสิบชาติก็ไม่หมด <c oughs> ก็ยังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเมื่อยังไม่ถึงความอิ่มถึงความพอก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การอยู่เป็นสุขคืออยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้ความสุขชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำจิตใจให้เราสงบให้จิตใจระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ดังนั้นหน้าที่ของเราริงจาเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องโลภต้องอยากกันก็คืออยากจะได้ความสมบสุขของจิตใจเราต้องอยากอย่างนี้เพราะความอยากอย่างนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเพราะเมื่อเราได้ความสงบสุขของจิตใจแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราจะพบกับความอิ่มความคอ เราจะสามารถอยู่เฉยๆได้เป็นสุขเรียกว่าอยู่เป็นสุขไม่ต้องไปเดินโหลดขวนขวายไปหาอะไรต่างๆมาเพราะหาอะไรมามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ใช่เป็นคําตอบมันไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มความพอความอิ่มความพอนี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําจิตใจให้สงบระงับจากความโลภความโกรธ ความหลงต่างๆดังนั้นหน้าที่ของเราจึงควรที่จะหันมากับการแสวงหาความสุขแบบนี้คือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาป ก, กรรมทั้งหลายและให้ ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงที่มาอยู่ในจิตในใจของเราให้หมดสิ้นไปทำลายมันกำจัดมันให้หมดสิ้นไป <c oughs> นี่คือหน้าที่ที่แท้จริงของเราหน้าที่รองก็คือการธรรมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อเราจะได้มีกำลังวังชามีเวลาที่จะมาทำหน้าที่หลักของเรา คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการทำความดีก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่การมีความกตัญญูกะตะเวทีสำเน็บในบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็ทดแทนบุญคุณตามสมควรแก่ฐานะของเราที่เราจะทำได้ <c oughs> เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้มีพวกคุณเมื่อมีโอกาสเราก็ควรที่จะทดแทนบุญคุณของท่านควรจะมีสัมมาคา ร, ระวะมีความอ่อนน้อมมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรแก่กำลังฐานะของเรา มีอะไรมากน้อยเพียงไรพอที่จะให้กับผู้อื่นก็ให้ไปถ้ามีทรัพย์ก็ให้ทรัพย์ถ้ามีของใช้ที่เราไม่ใช้แล้วแต่ยังเป็นของดีอยู่ยังเป็นประโยชน์ผู้อื่นยังนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ <c oughs> ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายอย่าสะสมเก็บไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเก็บไว้ก็จะเกะกะบ้านช่องเปล่า ถ้าไม่มีแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกโล่งอกสบายใจเพราะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาดูแลรักษา <c oughs> นี่คือการกระทาความดีต่างๆที่เราควรจะกระทําได้ที่เราทําได้และควรจะกระทํากันอยู่เสมอ <c oughs> ส่วนบาปกรรมท่านก็สอนให้เราชำระให้เราเลิกให้เราละอย่าไปทอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม เพราะการทําบาปทํากรรมนั้นมีแต่จะมีผลเสียตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันเมื่อทาไปแล้วก็ทาให้จิตใจของเรามีความรุ่มร้อนมีความกั ง, กงวลไม่มีความสุขเพราะเมื่อเราไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่น ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นก็จะทำให้เราเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่มีแต่เป็นคนน่ารังเกียจแล้วก็เป็นคนที่จะต้องได้รับการจับไปลงโทษเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีความไม่ค่อยไม่สบายใจเพราะเรากลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเอง แล้วเมื่อตายไปผู้ที่ไม่มีศีลก็จะต้องไปสู่ทุกขติคือต้องไปเกิดในอบายในภูมิใดภูมิหนึ่งมีอยู่สี่ภูมิด้วยกันคือเดรฉานเปรดอสุรกายและนรก <c oughs> นี่คือที่ไปของจิตใจคือเมื่อร่างกายสลายไปแล้วจิตใจที่ครองร่างนี้อยู่ ไม่ได้สลายตามร่างไปด้วยใจนี้ก็จะต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมต่อไปถ้าได้ทำบาปทำกรรมไว้แล้วเป็นวาระของบาปกรรมที่จะส่งผลก็จะส่งให้ไปเกิดตามชั้นต่างๆของอบายถ้าเป็นวาระของของบาปกรรมที่จะส่งให้ไปเป็นเดรัจฉานก็ต้องไปเป็นเดรัจฉาน ถ้าเป็นวาระที่จะส่งให้ไปเป็นเปรตก็ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายก็ต้องไปเป็นอสูรกายถ้าเป็นไปตกนรกก็ต้องไปตกนรกไม่มีใคร <c oughs> มายับยัง้งมาหักห้ามได้แม้แต่บุญกุศลที่เรากระทำกันก็ไม่สามารถไปยับยัง้งไปหักห้ามบาป ก, กรรมที่จะส่งผลได้ เพราะบาปกรรมกับบุญนั้นเป็นคนละส่วนกันทำบุญก็มีอนิสง์ของบุญทำบาปก็มีอนุสง์ของบาปไม่ไปลบล้างกันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละส่วนกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเกิดในที่ไม่ดีไปเกิดในอบายเราต้องหลีกเลี่ยงการกระทำบาป ถึงแม้เราไม่ได้ทำบุญถ้าเราไม่ได้ทำบาปอย่างน้อยมันก็ป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในที่ต่าถ้าเราทำบุญแต่เรายังทำบาปอยู่ด้วยเราก็จะต้องอยังต้องไปใช้บาปอยู่ดีอย่าไปคิดว่าการทำบุญอย่างทาบุญแล้วจะมาลบล้างการกระทำบาปได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหมือนกับยาต่างชนิดกัน ยารักษาโรคปวดหัวก็กินก็รักษาได้แต่โรคปวดหัวไม่ใช่ไปรักษาโรคปวดท้องหรือโรคเจ็บตาอย่างนี้เป็นต้นรักษาไม่ได้ยาแต่ละชนิดเขามีมีประสิทธิภาพมีหน้าที่ทํางานต่างกันชั้นใดการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นบาปหรือจะเป็นบุญก็มีผล ต่างกันเช่นเดียวกันเช่นบางท่านอาจจะชอบทาบุญทาทานอยู่เสมอแต่ยังอดที่จะทำผิดศีลไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายไปแลวเป็นววระของบาปที่จะส่งผลก็ยังต้องไปเกิดเป็นเกิดในอบายเช่นเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เนื่องจากว่าได้ทาบุญมาอา น, นิสงส์ของบุญก็จะช่วยให้เกิดเป็น เดรัชานที่มีรูปร่างสวยงามไม่อดอยากขาดแคลนคืออย่างสุนัขที่ตัวน่ารักที่พวกเราชอบซื้อมาเลี้ยงกันเพราะเขาเคยทำบุญมาทำบุญให้ทานมาแต่เขาไม่รักษาศีล <c oughs> เขาถึงได้เกิดมาเป็นเป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่อย่างน้อยอนิสง์ของ ทานที่เขาได้ทำไว้ก็ทำให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อดอยากขาดแคลนมีคนดูแลเลี้ยงดูอย่างดีนี่คืออนิสงค์ของการทำบุญให้ทานถ้าเราทำบุญให้ทานแล้วเราจะไม่ไปอดอยากขาดแคลนไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนชาติไหนจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเรารักษาศีลได้ เราก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีความพร้อมเพียงในด้านปัจจัยเงินทองต่างๆอยู่อย่างสุขอย่างสบาย <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และท้ออาอารหันตักสาวกทั้งหลาย ได้เป็นผู้รับรองว่าเป็นความจริงไม่มีพระอาหารหันตสาวกแม้แต่เพรรูปเดียวที่จะออกมาคัดค้าน <c oughs> ว่าคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นความจริงเป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นความจริงตามหลักของความจริงเช่นว่าทำบุญแล้วตายไปได้ไปสวรรค์ ทำบาปแล้วต้องไปตกนรกอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาคัดค้านในบรรดาพระอาหารตะสาวกทั้งหลายพระอาหารตระสาวกเหล่านี้เมื่อก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเพียงแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไปปฏิบัติจนเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปค้านว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงได้อย่างไรก็มีแต่จะรับรองความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาพระพุทธศาสนาจึงดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบนันนี้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําสอนนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิน้น สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้เชื่อลอยๆอยเชื่อแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเหมือนกับมีคนเอาของมาให้เราพิสูจน์เช่นมียาวิเศษถ้ากินไปแล้วจะรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ได้เราก็สามารถทดสอบได้ด้วยการกินยานั้นเข้าไป ถ้ายานั้นมันเป็นวิเศษอย่างที่เขาบอกมันก็ต้องรักษาโรคของเราให้หายได้เมื่อกินเข้าไปแล้วโรคมันหายเราก็รู้ว่ายานี้เป็นยาที่วิเศษจริงๆรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ได้อย่างจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สามารถนาเอาไปบอกผู้อื่นได้อย่างเต็นปากว่ายานี้เป็นยาดียาวิเศษถ้าเป็นโรคแล้วกินเข้าไปแล้วหายได้จริงๆ นั้นใดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเป็นหมืวนยาวิเศษเป็นยารักษาโรคใจใจของเรามีโรคอะไรก็โรคของความทุกข์นั่นเองความกังวลใจความวุ่นวายใจความหวาดกลัวต่างๆนี่เป็นความทุกข์ที่พวกเรายังมีกันอยู่ทุกคนแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถรักษาให้หายได้ถ้าเรา นำเอาธรรมโอสถคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเราต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆพราธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของ <c oughs> ปกปิดไม่ได้เป็นของที่ไม่ไม่เปิดเผยเป็นสิ่งที่เปิดเผยให้กับทุกคนสามารถศึกษาได้ เหมือนกับหนังสืออื่นๆที่เราอ่านกันเราชอบอ่านหนังสืออื่นๆกันอ่านแล้วเราก็ได้รับความรู้ต่างๆฉันใดหนังสือธรรมะก็เป็นเช่นนั้นอ่านแล้วเราก็ได้รับความรู้ความรู้ที่จะมาช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราต้องการพ้นจากความทุกข์ เราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถรักษาความทุกข์ใจของเราได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทําให้เราหมดทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเราได้นําสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าทุกข์ต่างๆภายในใจของเรา จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากกันก็ดีจะไม่มีปรากฏขึ้นมาในใจของเราเลยจะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนกับวันนี้อากาศเย็นลง เราก็ไม่รู้สึกทุกกับความเย็นของอากาศเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสองวันก่อนร้อนแต่วันนี้เย็นเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงฉันใดร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่จะต้องทุกต้องวุ่นวายใจเลย เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ใจของเราไม่ได้เป็นร่างกายจึงไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เป็นใจอยู่อย่างนั้นไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ที่ใจวุ่นวายที่ใจทุกข์ที่ใจกังวลที่ใจมีความหวาดกลัวนั้น ก็พอใจไม่ได้รับยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้าไปรักษานั่นเองทำให้ใจมีความมืดบอดทำให้มีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าร่างกายนี้เป็นใจเมื่อใจคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจขึ้นมาแล้วพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ต้องมีความหวั่นไหวคิดว่าใจจะเป็นไปกับร่างกายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายเจ็บแล้วยังไม่พอใจยังต้องเจ็บไปด้วยเจ็บไปด้วยความวุ่นวายเจ็บไปด้วยความกังวลกลัวว่าจะรักษาไม่หายกลัวว่าจะตายนี่ก็เป็นความเจ็บชั้นที่สองคือเจ็บกายแล้วยังต้องมาเจ็บใจด้วยแต่คนที่มีธรรมโอสฐอยู่ในใจแล้วจะเจ็บเพียงครึ่งเดียวคือเจ็บที่ร่างกายเท่านั้น แต่ไม่เจ็บที่ใจณความเจ็บของร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของใจแล้วก็ต่างกันมากความเจ็บของร่างกายนี้เพียงเที่ยวเดียวเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของจิตใจเวลาจิตใจไม่เจ็บแล้วความเจ็บปวดของร่างกายจะมีมากน้อยเพียงไรจึเงเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าและพระอรหรันตรัสาวกทั้งหลายไม่มีความหวั่นไหว ต่อความเจ็บต่อความตายเพราะจิตใจของท่านนั้นไม่ได้เจ็บไปด้วยไม่ได้ตายไปด้วยนั่นเองท่านรู้แต่พวกเราไม่รู้พวกเรายังหลงกันยังมองไม่เห็นถึงแม้จะได้ยินได้ฟังว่าเป็นคนละส่วนกันก็ยังไม่สามารถแยกแย ก, แยกออกจากกันได้เพราะมันต้องตกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นได้ต้องตรงให้ได้ เช่นถ้าเราเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจเราเชื่อว่าร่างกายนี้ต้องตายแต่ใจทีไม่ตายเราก็ทดสอบมันดูพาไปอยู่ในที่มันเปียยวที่น่ากลัวดูดูว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถรักษาใจของเราด้วยธรรมโอษฐได้ใจก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวใจจะปล่อยวางร่างกายได้ เมื่อปล่อยวางร่างกายได้แล้วต่อไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันคือไม่ต้องไปอยู่ที่เปียวที่หวาดกลัวอีกต่อไปเพราะเราเพียงแต่อาศัยที่เปี่ยวที่หวาดกลัวนั้นมาสร้างความรู้สึกให้ใจเห็นว่ากำลังทุกข์กับการยึดติดอยู่กับร่างกายถ้าไม่ต้องการทุกขก็ต้องสลัดความยึดติดของร่างกายนั้นไป คือปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปถ้าจะตายก็ให้มันตายไปมีอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นแต่เราจะไม่หนีเราจะไม่ไม่กลัวมันอีกต่อไปนี่คือการปลงนั่นเองรู้จักปลงหัดปลงเมื่อเราปลงเป็นแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่ที่เปลี่ยวที่กลัวอีกต่อไปก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ พราะใจไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายรู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นชัดแล้วว่าใจกับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าเรายังไม่ได้ไปพบกับสถานที่เลือกพบกับเหตุการณ์ที่จะทําให้เราต้องตรงให้เราต้องวางเรายังจะมองไม่เห็นเพราะกายกับใจมันยังไม่แยกออกจากกันนั่นเองเราจึงต้องไปเจอความทุกข์เจอความ ลำบากเช่นเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หัดทําใจให้เฉยๆไว้ร่างกายจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปถ้ามันเป็นถ้าเราฝึกได้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเรา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของคนอื่นเราก็จะไม่ตื่นเต้นเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดไปติดนั่นเองแต่ถ้าเราไปยึดไปติดแม้จะไม่ใช่เป็นร่างกายของเราเช่นร่างกายของคนอื่นเช่นร่างกายของสามีของภรรยาของบิดามารดาของบุตรทธิดาพอมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา เราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะเดือดร้อนใจทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาสักหน่อยก็ยังเดือดร้อนใจเลยแล้วนับภาษสาอะไรกับร่างกายของเราที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้ามันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเดือดร้อนขนาดไหนเราจะวุ่นวายขนาดไหนเราจึงควรที่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนาเอามาปฏิบัติพยายามตรงให้ได้ตรงว่าเกิดมาแล้วต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนคนที่ตรงเป็นคนที่ปล่อยวางได้คนนั้นจะอยู่อย่างสบายใจจะตายอย่างสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจ นี่คือสิ่งที่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทําให้กับเราได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมเอามาปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือทําขึ้นไปจากจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงขั้นต่าก็คือท่านสอนให้เราปล่อยวางของนอกกายก่อนเช่นเข้าของเงินทองต่างๆ อย่ายึดอย่าติดอย่าไปเสียดายอย่าไปหวงแหนมีเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแจกก็ไปจ่ายผู้อื่นเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่าที่เราพอจะอยู่ได้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายกับกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลามันจะจากเราไปเราก็จะไม่เสียอกเสียใจจะไม่ร้องห่มร้องไห้ จะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็มาฝึกทำจิตใจให้สงบไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้นิ่งอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามอยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งจิตใจจะเย็นจะสงบใจสบายจิตใจปล่อยวางเพราะสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่ปล่อยวางก็คือความคิดนั่นเอง พอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็อดที่จะมีอารมณ์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อดที่จะห่วงอดที่จะกังวลอดที่จะทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่พอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรให้เรามาห่วงไม่ให้มีอะไรมาให้เรากังวลไม่มีอะไรมาให้เราต้องทุกข์กับมันนี่คือวิธีปล่อยวางในระดับต่อไปคือพยายามทาใจให้ว่างด้วยการ ไหว้พระสวดสวดมนต์อยู่เรื่อยการสวดมนต์นี้ถ้าเราจะสวดในอริยบททั้งสี่ก็เราก็ยังสามารถทำได้ถ้าเราสวดไปในภายในใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็สวดมนต์ไปภายในใจเรื่อยๆแล้วใจจะได้ไม่ต้องไปเอาเรื่องต่างๆมาแบกให้หนักอกหนักใจ นี่ก็คือการปล่อยวางอีกระดับหนึ่งแล้วเมื่อเราจเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีที่เราไปเกี่ยวข้องได้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันสักวันหนึ่งก็ต้องไปกันคนละทิศคนละทางไม่อยู่ร่วมกันไปตลอดถ้าเรารู้อย่างนี้และเราปล่อยได้ยอมรับได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเวลาที่มันจะต้องจากเราไป นี่คือการปฏิบาาัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป้าหมายก็คือการปล่อยวางนั่นเองขอให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ชิ้นเดียวเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆปล่าคือใจใจมาตามลาพังแล้วใจก็ไปใจมาได้ร่างกายมาได้สมบัติมาได้เข้าของเงินทอง มาได้คนนั้นคนนี้แล้วเมื่อร่างกายที่ได้มามันตายไปใจก็ต้องไปเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้ก็คือความสุขและความทุกข์เท่านั้นถ้ามีธรรมโอสถถ้ารู้จักปล่อยวางก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายถ้าไม่มีธรรมโอสถมีแต่ความรุ่มหลงมีแต่ความโลภโมโทสันก็จะไปอย่างทุกข์ทรมานใจ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าเราไม่สนใจกับธรรมะเราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเราสนใจธรรมะและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะปลดเปลื้องความทุกข์ให้หมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้จนจิตของเราเป็นจิตที่สะอาดต้อยสุดเหมือนกับพระพุทธเจ้า และอ า, อาหารตัสาวกทั้งหลายเมื่อจิตได้บริสุทธิผุดผ่องเต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปเราได้สําเร็จบรรลุภารกิจแล้วต่อจากนั้นเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วยเลย นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญในเวลาที่ในเวลาที่เรามีเวลาว่างอย่าไปหาความสุขที่มันมีแต่ความทุกข์ตามมาความสุขที่เกิดจากการไปเสียรูปเสียงกินรสโผฏฐะมันจะทำให้เราติดเมื่อติดแล้วเราก็จะต้องดิ้นนนแสวงหามันอยู่ หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้าเรามาทางนี้มาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มาแล้วเราจะพบกับความอิ่มพบกับความพอยังขอฝากเรื่องการมาวัดในวันหยุดในเวลาว่าเพื่อมาสร้างกำลังที่จะได้มีกำลังต่อสู้กับความอยากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ เพื่อเราจะได้ปล่อยวางและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขออุตติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจ่ปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแก้วคาสปลดปอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ า, าการเทอ Ahem, <clears throat> ahem.